วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2558วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันเสาร์คณะสัายาิโยมตอนเช้าก็รู้สึกว่าล้นหลามพอตอนกลางวานันก็มีสัตายาิโย ม, มาหลายคณะเมื่อวานหลวงพ่อก็เลย อยู่ที่ศาลาใหญ่แล้วก็พักอยู่นี่ บ, บริเวณนี้จนถึงหกโมงจะได้เข้าไปทางวัดพี่น้องประชาชนมาคารวะมุดน้ำํำหัวตามประเพณีเพราะเหมือนเดือนนี้เป็นเดือนจุดท้ายแล้วมาจากเพชรชบูรณ์ก็มีพันนานิคมสว่างแดนดินโพต้าเมื่อวานหลวงพ่อก็ ลูกหลานเข้ามาแล้วจะทำยังไงก็ต้องตอนรับขับสู้อัน น, นธรรมดาแต่ที่ยังไงหลวงพ่อก็มีถึงกลุ่มไหนมาหลวงพ่อกเนี่ยเอา m p 3แจกบังเอานังสือธรรมะแจกบังไม่ให้ขาดตกบกพร่องเพื่อหลวงพ่อมองเห็นแล้วว่าการที่จะแจกอะไรถ้าว่าผู้ใดไฝ่ธรรมะศึกอยากจะศึ ก, ศกษาธรรมะ ในภาคปฏิบัติแต่บางคนบางท่านก็ได้ยินแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจแต่มอดมาอายุถึงปุนนี้แล้วควรจะฟังธรรมะศึกษาธรรมะแต่ก็บางทีก็ไม่รู้จะทำยังไงแกหลวงพ่อก็จะพยายามแจก MP3 สาบังหนังสือบ้างให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา ถ้าหาว่าพวกเราไม่ฟังไม่ศึกษาและจะเฉลียวฉลาดจะรู้ระจะรู้เรื่องทุกอย่างก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนฟังครั้งนี้บั่งฟังครั้งหน้าบั่งผลในสุดก็เข้าใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพรั d หลวงพ่อ มองไม่เห็นอย่างอื่นทํามาหากันแล้วก็พูดอะไรนิดหน่อยแล้วก็จบบางทีไปหาครูบาอาจารย์ก็ทําพิธีจบแล้วก็จบบางทีก็แจกเหรียญให้ใต้แจกเหรียญก็เป็นที่พอใจออรูปเหรียญครูบาอาจารย์แต่พ อ, อไปแล้วตั้ง ก, ออก้องสองซ้ายสองขวาสองหน้าสองหลังเสร็จแล้วก็เก็บไว้ ท่านก็ไม่ได้สอนอะไรจนกวานุหนะจะไปที่ไหนก็เอยกมือไหว้แล้วก็เอาเหรียญใส่ท่านใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์อันนั้นก็เป็นส่วนนึงหลวงพ่อมองแล้วว่ า, าการให้ธรรมะการให้ทำคำสอนเนี่ยกินหมดไม่เป็นถ้าให้อาหารแล้วให้สิ่งของถ้าเราให้ไปแล้วก็กิดแล้วก็หมด แต่ให้วิชาความรู้นะวิธีการทำวิธีการดำเนินวิธีการปลูกฝังวิธีการปฏิบัติอย่างไรในการบริหารจัดการกับชีวิตประจำวันของตนเองแนะนำให้วิชาความรู้หลวงพ่อว่าจะเลิศประเสริฐกว่าเพราะนั้นจึงได้แจกหนังสือธรรมะให้กับพี่น้องประชาชน การแจกธรรมะเนี่ยก็ไม่ใช่ของน้อยๆเหมือนกันนะลูกหลานนะลงทุนพอสมควรเพราะไม่ได้เสกคาถาแต่หลวงพ่อไม่เสียดายทหานลูกหลานทั้งหลายเอาไปฟังเอาไปศึกษาแล้วนะหลวงพ่อพร้อมที่จะให้ให้กับพวกพวกเราทุกคนไม่เสียดายเลยพอหลวงพ่อแจกมาเอามาก็เพื่อแจกไม่มีราคาอีกต่างหากเพราะว่า หัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายใจของพวกเราที่พวกเราจะเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีเป็นสิริเป็นมงคลต่อตระกูลเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นสิริมงคลต่อโลกทั้งโลกไม่เบียดเบียนมีธรรมะอยู่ในจิตใจมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตใจเพียงแค่นั้นละ่ะหลวงพอ่อ เออภาคภูมิใจเ อ, อไอแปลว่าของที่ให้ไปเนี่ยเออนิดๆหน่อยน้อยมาก อ, อแต่ถ้าว่าพวกเราเอาไปทิ้งไปขว้างเออนั้นน่าเสียดายเพราะว่าพวกเราไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่รู้คุณค่าเหมือนกับแจกของดีให้แล้วไม่ได้ศึกษาเอาไปทิ้งทิ้งว่างๆว่างแต่บางคนก็เคยได้ยินนะคณะทะทาทารย์ญาติโยมลูกหลานอ่อเป็นลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ยละ อ, อพอแจกเอ็มพีสามให้แล้วก็ หลวงอาหลวงลุงแจกให้แล้วก็อเอาไปทิ้งไปในรถไม่มีเวลาฟังอพอ ว, วันวันดีคืนดีเอะหลวงอาเอาเอ็มพสามมาฟังดูสิเป็นยังไงฮพอเสียบฟังทงนายโอ้หลวงอานี่พูดดีเอสอนให้เรู้จักศีลรู้จักทำ ร, ร, ร, ร, รู้จักวางตัวการดําเนินชีวิตทําอย่างไรไม่ใชยว่ามีแต่ธรรมะกับเป็น เครื่องชี้นําชี้แนะวิธีการวางตัวในครอบครัวกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายมิตรสหายการวางตัวการดําเนินชีวิตควรเก็บรักษาอย่างไรสแสวงหาอย่างไรจะรักษาอย่างไงใช้จ่ายอย่างไรสรุปแล้วก็คือให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จักบุญคุณของผู้มีอุปกรณ์ ใน MP3 ของหลวงพอ่อถ้าพวกเราท่านทั้งหลายฟังแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะจากนั้นก็นเน้นไปทางวดตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันแล้วทำมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประวัติของแต่ละองค์ทำมาเลกิตของแต่ละองค์แต่ละท่านท่านก็ยืนยันท่านปฏิบัติมาท่านถลายบาดแบกกรดเข้าไปในยูปา ลงพงพัยอยู่ตามถ้าตามป่าช้าป่าน่ากลัวที่ท่านไปอยู่แต่ทุกวันนี้ไปเห็นกันยังน่ากลัวอยู่ที่ท่านไปอยู่แต่ท่านก็ไปภาวนาเพื่อจะให้จิตใจของท่าน อ, อ, อยู่ในความสงบไม ah ่ e ปุ่งฟุ้งเพราะว่าไปอยู่ในที่กลัวกลัวนอ่อไปอยู่ที่กลัวกลัวพวกเราไปคิดดูสิถ้าพังถ้าว่าพวกเราไปอยู่ในที่กลัวกลัว มีแต่กลัวปูงฟุงออกไปข้างนอกเป็นบ้านะเพราะฉนั้นท่านไปอยู่นี่ที่กลักวๆท่านให้อยู่กับพุทโธนะาตายกับพุทโธขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธเนี่ยผลในสุดใจของท่านก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งท่านรู้ได้ด้วยตนเองเลยท่นนี่นั่ะท่านได้ธรรมะในในได้ในสถานที่ ก, กลัวๆทั้งนั้นละ่ะครูบาอาจารย์ ท่านจึงประกาศออกมาว่าถ้าเรานั่งสมาธิจิตใจรวมสงบลงไปแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญ ต, ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอันนี้ก็คือธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราเพราะนั้นให้คณะสัตยาติโยมทั้งหลายศึกษานะแต่ล้วนแล้วแต่เป็นคุณค่ามีประโยชน์ทั้งนั้นการดำเนินชีวิตอย่างวันนี้ก็เห็น คณะสัตธาญาติโยมมาหลายหลายแห่งหลวงพ่อเวลาบิณธบาตก็ได้ถามลูกหลานมาจากไหนลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมมาจากมหาสารคามก็มีร้อยเอ็ดก็มีถูกลบแล้วก็คือมาจากจารุทิศวันนี้มาหลายๆลหลายหลายแห่งแต่ถึงยังไงมาถือสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่ออศาสนาอื่นของเขาอย่างพวกเราได้ยินพราะเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆ ก็ได้ยินกันทุกหัวและแห่งศาสนาอื่นเขาบางทีเราทำเราทาละหมาดวันทั้ง4ี่ห้าครั้งศาสนาเคลตดอย่างนี้แต่กวันทุกวันอาทิตย์แต่พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนห่างเหินเกินไปหรือเปล่าอันนี้หลวงพ่อก็อยากจะเตือนย้ำให้กับพวกเราทุกๆท่านให้สำนึกไว้ในใจไว้อยู่เสมอควรมันควร เหินห่างเกินไปเขาไม่ดีนะหงพ่อว่านะอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมีโอกาสพวกนั้ไหว้พระสวดมนต์หรือว่าก่อนหลับก่อนนอนก็ควรจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบถึงพระไตรสรณคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาให้ลืมตัวเราเกิดมาจากไหน เรามายังไงกรรมพืชของเราเป็นอย่างไงเราเกิดมาจากพ่อจากแมเ่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราดีหรือยังนี่แหละของพุทธศาสนาต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามา เ, เราเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาควรจะเลี้ยงท่านตอบเราขาดตกบกพ่องไหมในจุดนี้อันนี้ก็ให้โอปัยนะโยโกมองพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือบุพการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญู ก, เกตเวทิตาอย่างไรในฐานะที่เราเป็นบุตรหญิงบุตรชายบุตรของท่าน พอท่านเลี้ยงดูเรามาเหมือนกับเราเลี้ยงลูกของเรานะเราเลี้ยงมาเพื่ออะไรเราเลี้ยงมาเพื่อให้มันใหญ่โตไปเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเลี้ยงมาก็เพื่อว่าต่อไปภายภาคหน้ า, าถ้าเขารู้จักบุญคุณเมื่อเขาเรียนจบแล้ว เ, เขาจะได้เราก็จะได้พึ่งพาอาศัยเขาเมื่อเราอายุแก่เท่าชรานะนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของ เอเชียของพวกเราแนวทางของพระพุทธศาสนาของพวกเราพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนะคณะทาญาติโยมลูกหลานนะ เ, เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วลกเราควรจะเลี้ยงท่านตอเพราะท่านหาหมอระดกให้กับพวกเราที่ไร่ที่นาที่โรั้ที่สวนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพส่งเสริมเราได้รับการศึกษ า, าจนพวกเราเนี่ยแต่ละค น, นไม่เหมือนกัน แต่ทั้งยังไงก็เนี่ยพักคุณของพ่อของแม่นี่มากมายมหาศาลนะเราจะปล่อยปาละเลยไม่ใส่ใจไม่สนใจเสลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกนะลูกหลานเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดสํานึกสําเนียกไว้ในใจในเมื่อพวกเราปฏิบัติตนดีกับพ่อกับแม่นะลูกหลานของเราเกิดจากเราเขาก็ต้องดูแลเขาจะต้องมองดูเราเป็นแบบอย่างแต่ว่าพวกเราเกิดมาแล้ว แต่งงานไปแล้วพอได้ลูกมาแล้วนะทั้งผัวทั้งเมียกับพูดตำหนิพ่อแม่พ่อแม่ของเราไม่ดีปู่ย่าตายายของเราไม่ดีไม่แม้ไม่แบ่งมรดกให้กับเราเท่านดูถูกเหยียดหยามเราเพูดให้ลูกให้ลูกหลานของตัวเองดูถูกเกลียดหยามปู่ย่าตายายฮพอผลที่สุดคิดว่า ม, มันจะเป็นผลดีไม่ใช่นะลูกหลานน ะ, อะพอต่อมาไปภายภาคหน้านะั่นะ เขาก็พวกเขาแล้วลูกหลานโอ้ยพ่อกับแม่ดูถูกปู่ย่าตายายพวกเขาก็ดูถูกพ่อแม่เขาเองเนี่นี่แหละอืมมันเป็นกำกอกกำล้อ ก, กงเกวียนไปหลายลที่ไหนแหเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ระ ล, ลึกถึงพระคุณของพ่อแม่แต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายพอมีลูกขึ้นมาแล้วเออพาไปกราบคารวะพ่อแม่ถึงยังไงพ่อแม่ถึงจะให้ยังไงไม่ให้ยังไงเราจะไปสนใจเถอะ ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วท่านให้ความรู้กับเราแล้วขาสองแขนสองสมองหนึ่งให้กับเราแล้วพอเราได้มาเราจะกระโดดไปในทิศทั้งสี่ท่าเราจะอยากจะร่ําจะรวยเราก็ต้องรู้รู้จักหาไม่รู้จักหาแล้วก็ให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้ให้รู้จักการบริหารในครอบครัวของเราอจากนั้นเขาเนี่ยพาลูกตัวเองไปกับคารวะพ่อตาแม่ยายพ่อปู่แม่ยา่าอ่า ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเขาใหญ่ขึ้นมาเขาจะได้ถือเป็นตัวอย่างในการดูแลพ่อแม่ของเขาเนี่ยพระท่านขอให้พวกเราคณ า, า, าญาติโยมลูกหลานอันนี้เป็นกลงล้อ ก, กรรมเกวียนนะถ้าว่าพวกเราทำไม่ถูกนะอพอนั่นน่ไม่สนใจแยแสกับพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงดูลงมาท่านพูดนิดนิดหน่อยหน่อยก็โกรธโมโหโกธาให้กับท่านาไม่ไปเยียบท่านไม่ไปก้มกายท่านอย่างนี้ เนี่ยในสูตรน่นไปหาเที่ยวบิ๊กซีโลตัสที่ไหนก็ไม่รู้แม่บ้านตลพ่อบ้านขาหนุนไปหาตีไก่ไปหาตีกอ๊อปไปหาเลี้ยวเที่ยวเล่นที่ไหนก็ไม่ทราบกินเหล้าเมายาสมเมลเทเมากับหมูกับเพื่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งที่จะทําให้เกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้ที่ทั้งหลายทั้งปวงอยู่กับพวกเรามีไหมบางท่านบางคนหลวงพ่อว่า น, น่าจะมีนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงย้ำเตือนให้ระลึกถึง พระคุณของบิดามารดาพ่อเป็นผู้มีพระคุณและก็บุญคุณส่วนหนึ่งเมื่อเราใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เราได้ศึกษาธรรมะเราก็ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึงพระพุทธเจ้าสอนยังไงพุทธศาสนาที่พ่อแม่พานับถือพระพุทธศาสนาพานับถือพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ตัดโรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ประกาศพระธรรมคำสอนออกมาและจะได้อย่างนั้นก็เลยพระสง์ได้นําพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแพ่ให้กับพวกเราที่ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็เป็นบุญคุณเ อ, อที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าอย่าเบียดเบียนจึงกันและกันเน่าอย่างมีศินห้าอย่างนี้แหละในพระพุทธเจ้าบัญญัติศินห้าให้กับพวกเราสําหรับคารวาสญาติโยม ในเมื่อเราศึกษาสินห้าของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราคิดดูที่สินะ่นี่ยสินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้มของโลกเป็นทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขสินห้าอยู่ในชุมชนกลุ่มใดในชุมชนประเทศไหนชาติไหนถ้าแข่งคลัดในสินห้าชุมชนกลุ่มนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขให้พวกเราคิดดูอีกว่าให้ไปถามด้วยิว่าคนอยู่ในคุก เอูดอ่ดรนบางคอนแกนบังร้อยเอ็ดมหาสา ร, รคามที่ไหนไหนคนไม่ดีทางนั้นเลยที่เขาขังไว้ในคุกคนผิดศีลห้าพวกเราไปถามดูนะอคนผิดศีลห้าพวกผู้ที่ทําผิดศีลห้านะเอเขาไปขังไว้ในคุกคนที่มีศีลห้าตลอดโดยสม่ําเสมอแล้วเป็นคนดีอรับรองได้อย่างนั้นใ น, ในหลักธรรมคาสอนเพราะนั้นเพียงแค่นี้เราก็สังเกตแล้วว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้า มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรในตัวของเร า, เ, าเราจะทําผิดศีลห้าอยู่เหรอคิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะขโมยคนอื่นละลาบล ร, ร่วงในสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นกอหกต้มตุนคนคนอื่นเดิมสุราเมรัยเดิมจนขาดสติแล้วก็ทำความชั่วเสียหายาความชั่วในทุกอย่างอีกต่างหากเพราะคนเมาคนขาดสติ เราอยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมในเมื่อเราทำอย่างนั้นเข้าไปแล้วติดคุกนะเพราะทำความชั่วความชั่วจะทำซะเลยดีกว่าความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วคำําชั่วให้ผลความชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อ, อันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นกบุญคุณของประเทศชาติประเทศชาติคือชาติไทยของเรามีชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ พระมาหากษัตริย์ไทยของเราปกครองประเทศมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ตั้งแต่พอ่อคุณศรีอินทรา athi พอ่อคุณรามกําแหงที่หลักกีฬาจารึกจากนั้นกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพมหานครรัชกาลที่ 1- ถึงที่9นี่แหละคือตระกูลของชาติไทยของเราที่ปกป้องประเทศชาติชาติไทยของเราถ้าหากว่าพวกเราไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าเป็นมี พระปีชาสามารถฉเฉลียวฉลาดเมืองไทยของเราก็คงจะเหมือนกับพี่น้องประชาชนเมืองลาวเขมรเวียดนามมาเลพมา่าเป็นเมืองขึ้นเขาทั้งหมดแต่เมืองไทยของเราเพราะอะไรก็เพราะพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปีชาสามารถรักษาประเทศชาติชาติาตไทยของเราพระพุทธศาสนาก็ได้อยู่โยงคงมากระทั่งทุกวันนี้ในละแวกนี้พระพุทธศาสนานี่ ชาติไทยที่ว่าเป็นชาติเป็นที่ศาสนาที่ว่าเข้มแข็งที่สุดพุทธศาสนาเข้มแข็งที่สุดคือพระอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่ประเทศอื่นก็เติร์อย่างประเทศพม่า ก, ก็เหมือนกันแต่เมื่อ ป, ประชากรเขาศรัทธาในพุทธศาสนา เ, นเหนือกว่าเมืองไทยของเรานะแต่ว่าฝ่ายพระพระม่าเนี่ยคือฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินไม่มีมีทางตะวันตกเข้ามาปกครองอังกฤษเข้ามาปกครองพมา่า เขาก็ไม่ได้แยแสจากนั้นฝ่ายปกครองฝ่ายพระสงฆ์ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับวินยัยกฎระเบียบรนเละนะถ้าเราศึกษาดูให้ดีแล้วพระวินัยของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นผู้ยังอยู่ยังอยู่ในศีลและวินยัยยังอยู่ในศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าได้เหนือกว่าประเทศรอบบ้าน ในของเราทุกวันนี้ถ้าไม่เชื่อให้พวกเราศึกษาดูนะอันนี้หลวงพ่อฟังทุกแข่งทุกหนทุกด้านที่พี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อหลวงพ่อในอยู่ในจุดที่จะต้องศึกษาถามไถ่ว่าพระพุทธศาสนาแต่และประเทศเป็นอย่างไร น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นบุญคุณของประเทศชาติคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเป็นหลักให้กับประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นพวกเราต้องล้ำลึกถึงเพราะ พระคุณของจุดนี้แหละที่ได้เราได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นเที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนอธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติและพระธรรมคําสอนของท่านอีกต่างหากที่พวกเราได้ศึกษานี่แหละนับว่าพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาในตวัปฏิโรปรเทสวะโซจะ ปุเพจักกตาปุญญตาอัตตะซัมมาปณิธนะิเข้าในรูปนี้อีกนะปฏิโรประเทศวาโซจะพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยธรรมชาติก็ไม่ฆ่าพวกเรามากเท่าไหร่แผ่นดินก็ไม่ไว้น้ําก็ไม่ท่วมอะไรลักษณะอย่างนี้มียูแต่ไม่มากไม่เหมือนประเทศอื่นอย่างประเทศอื่นเขาดูใชไหมพวกเราทุกวันนี้ดูในโทรทัศน์วิทยุอะไรสื่อต่างๆพวกเราเห็นได้มากมายเลย เ, เว้นเจียแต่เราหลับหูหลับตาไม่ศึกษาไม่เรียนรู้อะไรเอออันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่พวกเราเปิดหูเปิดตาเราจะรู้ได้่าโอ้ประเทศไทยของเราเนี่นับว่าเราเกิดมาถูกที่ถูกทางแล้วธรรมชาติไม่รังแกคล้ายๆก็ว่า เ, เรามาเกิดในคุ้งหนึ่งที่ว่าธรรมชาติไม่เบียดเบียนเพราะพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตแต่ชาตินะั่นเรียว่าปฏิลกประเทศสว้าช่จา พเพ จ, จกะตะปุ่นยตาพวกเราคงจะตั้งจิตอธิษฐานเมื่อไปไหว้พระวัดไหนไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์องค์ใดแต่ชาติป ว, วกก่อนพวก่อนสาธุเนอร์ภูค่าเกิดมาพบใดชาติใดขอให้อยู่ในไ ป, ไปเกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์อย่าให้มีภัยวิบัติแล้วก็อย่าให้พบพานคนพลานทั้งหลายพาลชนทั้งหลาย ให้ครบแต่บัณฑิตนักปราชญ์ให้ได้พบพระพุทธศาสนาให้ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ได้พบจากคนดีฮะอพวกเราคงจะตั้งความปรารถนาอย่างนั้นไว้ในดีแต่ตชาติทีว่าปุเพจกะกตะปุญญาตาพวกนั้นพวกเราจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยสมอย่างที่ใจของเราตั้งหวังแต่เมื่อเรามาเกิดแล้วเราลืมตัวมาลืมตัวว่าข้าเป็นใครลืมกําเพื่อย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นนะ ลืมกรรมพืชของตนเองจากนั้นก็ลุ่มหลงมัวเมากินเหล้าเมายาสุรานาเร่การพนองการผรนนักพกอย่างเข้ามาใส่ตัวเองนะเพราะในสุดออกจากภพนี้ชาตินี้แล้วเออไม่รู้จะไปไหนแนละลูกหลานนะเีถ้าว่าเราลืมตัวอย่างนั้นอาจจะไปเกิดเป็นช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปตกนรกหมกไหมไปได้ทั้งนะั้นเพอเพอเนะี่ยหลุดไปเกิดอไปในสถานที่ที่พวกเราเห็นในสื่อนะ อย่างแถวตะวันออกกลางทุกวันนีอกพยพหนีสึกสงครามนั่นเราไปเกิดอย่างนั้นก็ได้เพราะบาปกรรมพาไปเกิดเนเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะทถาญาตโยมลูกหลานทุกคนน่าเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาในพระพุทธศาสนาควรประกอบคุณงามความดีอย่าได้อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันรักเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้มั่นให้ขยันคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ คนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้ถ้าเราขี้เกียจโง่อีกต่างหากเราจะหาทรัพย์ได้อย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกเราหมั่นขยันในการเสาะแสวงหาทรัพย์ในเมื่อเสาะแสวงหาทรัพย์แล้วเราใ ห, ให้รู้จักเก็บให้รู้จักเก็บให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ได้เงินมาแล้วก่อนเราจะใช้อย่างไรไม่ใช่ว่าได้เงินมาแล้วใช้อลุยช่ยแชร์ไปทั้งหมด เออผลที่สุดกันะเออไม่มีอะไรจะขายขายพอระรดกพ่อแม่อีกต่างหากทั้งที่พ่อพ่อแม่ของเราหามาเพื่อลูกเออแล้วก็ให้ลูกทั้งหลายอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขแต่พอได้มาแล้วพวกเราใช้ไม่ถูกที่ถูกทางอันนั้นก็ไม่เป็นผลดีนะลูกหลานนะ เ, เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองได้กล่าวเรื่องต่างๆให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่พร้อมกันก็อย่าลืมว่าตายแล้วไม่สูญนะเออชีวิตของพวกเรา ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะอย่างหลวงพ่อได้ย้ําเบื้องต้นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปศึกษาดูแล้วนะท่านบอกเลยว่าตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อก็ยืนยันอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อเองก็ยืนยันพอหลวงพ่อเนี่บวชมาตั้งแต่เป็นสัมมาณีถ้าพวกเราอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมหาชรคราบมหาชละคำคงจะรู้หว่นหลวงพ่อเนี่เป็นเนนของหลวงปู่ล่าผู่เจออ้าก่อแต่อายุ11ย่าง12ปีปี 2,500 นหะ เป็นสมณีกลึ่งพุทธการบวชปี2ันห้านะลูกหลานนะบวชเป็นสมณีนยู่8ดปีแล้วก็เป็นพระอีกนีนะ่เป็นปีห้าสิบเอ็ดนะบวดเป็นพระนะบวชปีศูนย์ดให้ลูกหลานนับรูก็แล้วกันนะบวชปีศูนย์แดแล้วก็ปีนีเท่าไหร่ปีห้าแปดแปลว่าห้าพันาห้าสิบเอ็ดปีนี่ลกลังคาอยู่นะห้าสิบผ่านไปแล้วห้าบเอ็ดกลังอยู่ รวมปีกแปดรวมอีกแปดสรุปแล้วก็คือชีวิตของหลวงพ่อยฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนานี่ยถ้าออกพรรษาเนี่ก็เป็นห้าสิ้าปีไม่ใช่หรอครับนั่นแหะไม่ใช่ธรรมดานะชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไปในพุทธศาสนาหลวงพ่อศึกษาอะไรในการบวชของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้เรียนอย่างอื่นศึกษาเรื่องจิตภาวนาหลวงปู่ราสอนอยังไง มาอยู่กับหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวสอนอย่างไงหลวงพ่อศึกษาในจิตภาวนาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อศึกษาเรื่องเรื่องจิตเรื่องใจเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงยืนยันให้ลูกหลานได้ฟังว่าตายแล้วไม่สูญนะั่นลูกหลานตายแล้วเกิดอีกตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกองค์ที่ท่านปฏิบัติมาไม่มีคําว่าจะคดไม่หวังทางโลกวัตะสงสารไม่มีมีแต่ว่าหายังไงถึงจะพ้นทุกในวัตะสงสารท่านมีแต่สาะแสวงหาทางพ้นทุกอย่างนันก็มีแต่แนะนําบอกกล่าวสิทธิอนุสิต ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะลูกหลานนะสิ่งที่สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำนะอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดนะในสิ่งที่มันไม่ดีล้วนแล้วแต่ท่านสอนอย่างนี้หลวงพ่อก็แนะนําอย่างนี้เพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงมาถ่ายทอดนะให้กับลูกกับหลานคณะสัทยา ญ, ญาติโยมได้ฟังที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยนะให้ไปนาไปคิดนําไปพิจารณาดูนะลูกหลานแนะทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังฟังด้วยพูดด้วยเจตนาดี พูดด้วยความหวังดีให้กับลูกหลานให้เป็นคนดีนะในเมื่อคนดีไปอยู่ณนะสถานที่ใดร่มเย็นเป็นทุกทุวนหน้านะถ้าไปที่ไหนมีแต่ในความชั่วเสียหายมีแต่โลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะไปอยู่ณนะสถานที่ใดมีแต่ความเดือดร้อนผุนวายนะลูกหลานนะอาวันใหหลวงพ่อได้พูดนแนวความคิดหรือว่าเก่าสัมโมทนิยกถาก็เห็นว่าสมควร ขอหยุดติเอาตอนนี้ไปรับพรเนตานีนะพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอร